หัวข้อวิธีใช้หนี้บาปเวร 1. นําสำนึกผิดเป็นขั้นแรกสุดที่ง่ายที่สุดเหมือนไม่ต้องลงทุนอะไรแต่ดูจากความจริงแล้วอาจกล่าวได้ว่าขั้นของการสำนึกผิดอาจยากกว่าขั้นอื่นใดเพราะขณะที่คนเราทำผิดด้วยความโลภความโกรธ หรือความหลงเขา่าจิตไม่รู้สึกแม้แต่ น, น้อยว่านั่นเป็นความผิดเมื่อไม่รู้สึกจริงๆว่าผิดก็คงยากที่จะมีใครไปบอกให้มองเห็นว่ามันผิดกิเลสแบบคนผิดจะปกป้องตนเองทําให้ไม่ยอมรับและคิดปฏิเสธความผิดร่มไปเหตุของความสานึกผิดขึ้นมาได้หลักๆมีอยู่สองประการประการแรก หลังจากที่คุณทำอะไรเลวๆลงไปต่อมาคุณทำดีแล้วมีเส้นทางพัฒนาความดียิ่งๆขึ้นเพราะถึงวันหนึ่งมีสิ่งสะกิดใจให้ระลึกถึงความเลวในอดีตจิตอันเป็นกุศลแล้วของคุณย่อมบอกตัวเองว่าเราเคยเลวเราเคยก่อกรรมดำเราเคยทำเรื่องน่าละอายคุณจะเกิดความเสียใจและอยากไถ่โทษ ซึ่งระดับความแรงจะมีแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับกําลังบุญของจิตในขณะนั้นๆบุญยิ่งมากก็จะยิ่งกระตุ้นให้เกิดความสำนึกผิดแรงมากประการที่สองคุณมีบุญเก่าในอดีตชาติประเภทเคยสำนึกผิดอย่างรุนแรงและเคยได้ชดใช้ความผิดชนิดทุ่มเทกายถวายหัวเพื่อไถ่าบาปมาก่อน ขอชาตินี้เผลอพลาด ท, ทำผิดครั้งใหญ่อีกบุญเก่าก็ส่งผลให้สำนึกได้เร็วและสำนึกได้แรงโดยทั่วไปการสำนึกผิดที่ประกอบด้วยความตั้งใจว่าจะไม่ทำเช่นนั้นอีกก็ช่วยให้หนีก่กรรมบรรเทา เ, าเบาบางลงบ้างแล้วเปรียบเหมือนการลดโทษของสารเมื่อผู้ต้องหารับสารภาพให้การเป็นประโยชน์ต่อคดี แต่การสำนึกที่แท้จริงก็ต้องมีโอกาสที่สู่ตัวด้วยเมื่อถูกยั่วยุให้ทำผิดอีกแล้วคุณไม่ทำนั่นก็เรียกว่าพลังของความสำนึกผิดแรงจริงมั่นคงจริงพอถึงเวลาต้องชดใช้หนี้เก่าก็จะไม่ต้องทุกข์ทรมานอีกและไม่ยืดเยื้อยาวนานนัก 2. ขอโทษคนที่ขอโทษบ่อยๆนั้น จะพูดคำว่าขอโทษง่ายเพราะเห็นเป็นเรื่องธรรมดาต่างจากคนที่นานๆจะกล่าวคาขอโทษสักทีแบบนั้นจะเห็นการขอโทษเป็นเรื่องผิดปกติเพราะต้องยอมรับว่าตนเองผิดซึ่งข้าน ก, นกันกับทิฏฐิมานะและความอาหังการของมนุษย์อย่างไรก็ตามคำขอโทษยังแบ่งออกเป็นอีกหลายชั้นหลายวันนะ บางคนขอโทษบ่อยซะจนรู้สึกว่าทําอะไรผิดบ่อยๆก็ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยขอโทษเอาทีหลังคําขอโทษที่ตามหลังการประมาทหรือขาดความระมัดระวังจนติดเป็นนิสัยนั้นไม่ใช่คําขอโทษที่มีค่านักส่วนบางคนนานๆขอโทษทีก็จริงแต่กล่าวออกมาจากใจเต็มๆประกอบด้วยความสํานึกผิดจริงๆและมีความตั้งใจที่ดี ที่จะไม่ทำเช่นนั้นอีกอันนั้นเป็นคำขอโทษที่มีค่าและเกิดจากจิตอันเป็นมหากุศลการขอโทษอาจไม่ได้เป็นคำพูดขอโทษเสมอไปแต่อาจเป็นการทำดีลับหลังเช่นในกรณีที่บุคคลซึ่งคุณทำเลวไว้กับเขาเสียชีวิตไปแล้วคุณก็อาจใช้วิธีพูดส ร, รรเสริญหรือทำอะไรเป็นการเชิดชูเกียรต เพื่อให้ใครต่อใครนึกนิยมชมชื่นในตัวผู้ล่วงลับอย่างน้อยที่สุดความสุขที่ได้ทำดีกับผู้ล่วงลับบ้างจะกลบกลืนความรู้สึกผิดได้แน่ถ้าหากคุณจำไม่ได้กระทั่งชื่อแท้หรือหน้าตาไม่ทราบว่าปัจจุบันเขามีชีวิตอยู่หน้าแห่งหนตําบลใดคุณก็อาจขอโทษเขาผ่านการทำดีกับคนอื่นแทนเช่นคุณเคยทาร้ายจิตใจใคร ด้วยคำพูดเสียดแทงนึกถึงใบหน้าเศร้าโศกเสียใจของเขาทีไรแล้วรู้สึกผิดบุญแรงทุกครั้งแถมปัจจุบันไม่มีทางพบใครคนนั้นอีกแล้วจึงไม่ทราบจะไปชดใช้ความผิดกับใครเช่นนั้นคุณก็เพียงตั้งใจว่าต่อแต่เนี้ยจะพูดแต่คำที่ช่วยให้ทุกคนรู้สึกดีปริมาณของบุญที่สร้างขึ้นใหม่จะเหมือนน้าดีกลุ่มใหญ่ ไล่น้ำเสียกลุ่มน้อยถึงวันหนึ่งหลังจากที่คุณสะสมความรู้สึกดีๆจากผู้คนที่ฟังคุณพูดดีๆให้พวกเขาชื่นใจมากพอก็จะพบว่ามันชะล้างความรู้สึกผิดเก่าๆลงได้และนั่นก็มักหมายความว่าเมื่อกำมอันเกิดจากการพูดเสียแทงจิตใจคนถึงเวลาให้ผลก็จะไม่หนักหนาสาหัส มีปัจจัยช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาจนแทบไม่รู้สึกกัน 3. ให้อภัยก่อนอื่นต้องมองว่าตอนใครทำให้คุณเจ็บช้ำน้ำใจมากๆนั้นคือรูปแบบหนึ่งของการโดนทวงหนี้เมื่อมองอย่างนี้คุณจะเต็มใจให้อภัยและทราบชัดจากความเบาหัวอก ว่านี่เก่าถูกชำระแล้วอาจต้องผ่อนท่งหลายครั้งหรืออาจเมารวบเบ็ดเสร็จในครั้งเดียวก็ได้เมื่อจิตสะอาดได้ด้วยการคิดอภัยปราศจากกลิ่นไม้ของไฟพยาบาทแล้วคุณจะค่อยๆนึกออกว่าสิ่งที่คุณถูกกระทานั้นคุณเองก็เคยกระทาไว้ก่อนกับคนอื่นถึงตรงนั้นคุณจะค่อยๆมีสัมผัสเกี่ยวกับกรรมวิบาก มองเห็นความสอดคล้องมองเห็นการสะท้อนไปสะท้อนมาของเหตุการณ์ทำนองเดียวกันตลอดจนสามารถวัดน้ำหนักความทุกข์ของผู้ที่ถูกคุณกระทำได้ถูกว่าถ้าเปรียบเทียบกับความทุกข์ที่คุณโดนกระทำเข้าให้บ้างแล้วมันหนักกว่าเบาวกว่าหรือว่าเท่ากันอย่างน้อยที่สุดคุณจะเลิกคิดไปเองว่าทำอะไรกับใครก็ได้ ตัวคุณไม่ต้องรับผลเป็นความทุกข์ทำนองเดียวกันในภายหลังนอกจากนั้นคุณจะค่อยๆสังเกตและมีความรู้เพิ่มขึ้นคือไม่ว่าคุณเป็นฝ่ายเริ่มก่อนหรือเป็นฝ่ายถูกกระทาขอเพียงคิดประทุษร้ายกันมีความผูกใจเจ็บกันเหลงแลกันและกันด้วยแววพยาบาทอาฆาตเท่านั้นก็เรียกว่าเป็นบาเปเวียนระหว่างกันแล้ว ต่อเมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งให้อภัยได้ไม่จำกัดไม่มีความพยาบามตกค้างแม้แต่ในความคิดนั่นเองจิตจะทำตัวเป็นน้ำสะอาดล้างรอยแค้นทั้งฝ่ายตนและฝ่ายเขาในที่สุดความอาฆาตในฝ่ายเขาย่อมทนตั้งอยู่ไม่ได้ต้องเลือนหายตามไปในที่สุดสรุปคือเมื่อถูกทำให้แค้นแล้วไม่คิดแก้แค้น เรียกว่าเป็นการใช้หนี้ขอให้จำไว้ว่าคุณอาจโกรธโดยไม่ตั้งใจแต่ไม่มีทางอาภัยโดยบังเอิญมีกรณีที่ยาาจะอภัยอยู่มากมายเช่นบางคนรับกรรมที่เคยทำไว้กับลูกในเกมกรรมครั้งก่อนๆต้องมาเกิดกับพ่อแม่ที่ทำเรื่องเลวร้ายกับตนในเกมนี้ทั้งเมาเล่าทุกตี ทั้งเป็นผีพนันที่หันมาปล้นเงินคนในบ้านทั้งเป็นพ่อที่ทำบาสีบารเถลิงกับลูกผู้ไม่มีทางขัดขืนทั้งเป็นแม่ที่ขายลูกสาวกินกรณีเช่นนี้อย่าว่าแต่จะมีกําลังใจตอบแทนแค่ห้ามใจไม่ให้คิดอยากฆ่าพ่อฆ่าแม่ตัวเองก็นับว่ายากแล้วแน่นอน ในานามของสิ่งที่เรียกว่าความหลงลืมเกมกรรมใช้มันปิดซ่อนอดีตชาติไว้ได้อย่างสนิทมิดเม้น์คุณย่อมไม่มีทางเอะใจทราบได้ว่าการถูกข่มเหงในบ้านโดยพ่อแม่ของตนเองก็คือการแสดงตัวของกรรมเก่าที่คุณอาจทำไว้กับลูกตัวเองและเมื่อไม่อาจทำใจให้เชื่อว่านั่นคือกรรมเก่าของตน ก็ยอมผูกใจพยาบาทอาฆาตพ่อแม่เป็นเหตุให้นำความเลวร้ายนั้นไปเรียนแบบเมื่อต้องเป็นพ่อแม่คนแล้วรับผลอีกในเกมหน้าวนเวียนเป็นปฏิกิริยาลูกโซ่ไม่รู้จบตามกฎข้อแรกๆของเกมกรรมนั้นคือถ้าคุณอาฆาตแค้นพ่อแม่รุนแรงไม่ว่าจะด้วยเหตุผลคนใด ชีวิตคุณจะเหมือนมีบาดแผลใหญ่ทำอะไรเจริญยากถึงแม้มีบุญเก่าหนุนให้รุ่งเรืองก็ต้องมีอันเป็นทุกข์ไม่อาจสุขใจจากความรุ่งเรืองนอกกายได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยนักการอภัยในเรื่องหน้าเจ็บปวดที่สุดทำได้ยากที่สุดจึงแทบจะเป็นการทำแต้มสูงสุดในเกมกรรมและกล่าวได้ว่าเป็นการใช้หนี้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ถ้าทำไม่ได้ก็น่าเห็นใจแต่หากทำได้ก็น่าปลาบลื่อมด้วยเป็นนักหนาเพราะแทบไม่เหลือบาปอากุศลชนิดไหนอีกแล้วที่คุณจะผ่านข้ามมันไปไม่ได้สำหรับพ่อที่เลวไม่ดูแลรับผิดชอบลูกเมียหรือทำเรื่องเลวร้ายกับลูกๆได้ลงคอนั้นอาจได้ชื่อว่า เป็นเจ้านี่น้ำกามหยดเดียวอย่างเขาว่าแต่สําหรับผู้เป็นแม่จะดีแล้วอย่างไรก็ตามทุกคนเป็นหนี้การอาศัยท้องท่านนอนอยู่เก้าเดือนเสมอลองเอาอะไรหนักๆที่ดิ้นได้ผูกติดไว้กับท้องตัวเองสักสามเดือนแล้วจะพอเข้าใจว่าแม่ทุกคนเคยรับบทหนักมาขนาดไหนกว่าคุณจะลืมตาดูโลกได้ ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าระหว่างพ่อเลวกับแม่เลวการโกรธเกลียดแม่เป็นบาปกว่าและในทางตรงข้ามการให้อภัยแม่ย่อมได้ผลเป็นบุญที่เกินประมาณ 4. ตั้งความปรารถนาดี สิ่งที่ยากกว่าการอภัยคือการทำดีกับคนที่ทำร้ายคุณก่อนสำหรับคนทั่วไปอาจฟังเป็นเรื่องบ้าและไม่น่าเป็นไปได้หรือแม้เป็นไปได้ก็ไม่ควรทำแต่สำหรับคนที่มองชีวิตเป็นเกมกรรมการดีตอบไม่ใช่เรื่องเหลือวิสัยตรงข้ามกลับจะเป็นโอกาสโกยคะแนนพิเศษสองเท่าสามเท่าของปกติด้วยซ้ำ เมื่อมีแก่ใจตั้งความปรารถนาดีอย่างบริสุทธิ์ปราศจากสิ่งเคลือบแฝงคุณก็ย่อมมีทุนพอที่จะพูดดีและทำดีกับเขาในเวลาต่อมาฉะนั้นปัญหาอยู่แค่ที่ใจทําอย่างไรคุณจึงสามารถตั้งความปรารถนาดีอย่างบริสุทธิ์ใจกับคนที่มาทําเรื่องแย่ๆกับคุณได้ก่อนอื่นใดคุณต้องสร้างกำลังใจให้ตนเองโดยคิดว่า ถ้าคุณกำลังอยู่ในเกมกรรมจริงการทำดีตอบคนที่มุ่งร้ายกับคุณต้องถือเป็นการเล่นเกมยากเมื่อทำสำเร็จก็ควรมีเรื่องดีๆที่คาดไม่ถึงปรากฏให้เห็นแน่ๆหากคุณไม่รอดูเหตุการณ์ภายนอกแต่เฝ้าสังเกตเหตุการณ์ภายในจิตใจอันสับสนอลหม่านของตนเองก็จะพบกับภาวะมหศัศจรรย์ที่เรียกว่ามหามสมัท อันเกิดจากความรู้สึกว่าคุณเป็นคนดีคุณทําในสิ่งยากที่ใครจะทําได้และธรรมชาติของจิตก็สนองคืนให้ด้วยความรู้สึกที่ล้ําลึกเกินพนรนาการตั้งความปรารถนาดีไว้ล่วงหน้าจัดเป็นการตั้งเข็มทิศให้กับจิตเช่นภายหลังเมื่อเจอตัวจริงก็อยากพูดให้เขาเป็นสุข อยากทำบางอย่างให้เขาสบายขึ้นมาจริงๆการตั้งความปรารถนาดีจึงจัดเป็นรูปแบบหนึ่งของการแผ่เมตตานี่บาปเวรจะหมดไปอย่างรวดเร็วด้วยการชะล้างของเมตตาจิตยิ่งคุณแผ่เมตตาได้เข้มแข็งหนักแน่นและต่อเนื่องขึ้นเพียงใดบาปเวรก็จะยิ่งถอยห่างหนีหายไปมากขึ้นเท่านั้น